คำว่าชักชวนกันคือชักชวนกันว่าไปโดยสารเรือกันเถิดน้องหญิงไปโดยสารเรือกันเถิดพระคุณเจ้าไปโดยสารเรือกันเถิดเจ้าค่ะไปโดยสารเรือกันเถิดจะพวกเราจะไปโดยสารเรือกันวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อรือนี้ต้องอบัตทุกกฏเมื่อภิกษุณีโดยสารภิกษุโดยสารต้องอบัตปาจิตตีเมื่อภิกษุโดยสารภิกษุณีโดยสารต้องอบัตปาจิตตีภิกษุและภิกษุณีทั้งสองโดยสารต้องอบัตปาจิตตี คำว่าไปทวนน้ําคือแล่นทวนกระแสน้ําคําว่าไปตามน้ําคือแล่นตามกระแสน้ําคําว่าเว้นไว้แต่ข้ามฟ้าคือยกเว้นแต่ข้ามฝั่งน้ําหมู่บ้านหนึ่งกําหนดชั่วไก่บินตกต้องอบัติปะจิตีทุกๆุละแวกหมู่บ้านในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านต้องอบัติปะจิตีทุกๆกกึ่งโยธ